รัศมิพระพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศมิงพระสังฆานังทุกข์รัวพระพยัง วันชัยเยสสะพทุกสพะสพาสกสพโรคสพภัยสะาเคราะห์สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสสะพัน์นงสพะพัลาพังพระวันดูเบรักขันตูสุรักคัน รัสมิงพระพุทธุนง ANE, ังอาคัเนรัสมิพระธรรมเมตังอาคันเนรัสมิงพระสังฆานางังทุกขโรภะ พ, พยายามวิวันชัยเยสสะพุสะพสกสะพโรคสระพภัยสะพระครอ้อสเนียบจันไรวิวันชัยเย สัพพ ะ, ะนงังสัพพะลาภังภวันตุเบประขันตุสุรัทันตุทักษินรัสมิงพระพุทธคุณนงังทักษินรัศมิง พระธรรมเมตังพักศินรัศวิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสาพาทุสาพาโศกสาพาโรคสาพาภัยสาพระคร้อสังเหียดจันไรวิวันชัยเยสาพักทนังสาพลาพังพระวันตู ประคันตูสุรักนันตูหอระเดารัสมิพระพุทธคุณนางหอระเดารัสมิงพระธรรมเมตังอระเดารัสมิง สังขารนังทุกขร์รัวพระปยังวิวันชัยเยสัพทุกสพะโสพโศกสะพโรคสัพาัายสพะพารคร้สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสพะพักท่านังสพะพาราพังพระวันตุเมประคันตุสุรคัน พุทธคุณนางปัดจิมรัสมิงพระธรรมเวตงังปัดจิมรัสมิงพระสังขานางทุกขโรคภัยยังวิวันชัยเยสสพาทุกสพาโศสะพโรคสะพาภัสพพพยสพพระพารอ้อเสนียดจันไร วิวันชัยเศยศภักนงังศภะลาพังพระวันตุเมตรัคันตุสุรันคันตุพายัพพระสมิงพระพุทธคุณนำพายัพพระสมิง พระธรรมเมตังพายัพระสมิงพระสังคานังทุกขโระพยังวิวันชัยเยสสะพทุกสะพะโสสรพโรคสะพะภัยสะพะเคราะห์สี่แยจันไรวิวันชัยเยสสพพะธาังสะพะลาพังพระวัน ขันตุสุรักขันตุปูดรรัศมิพระพุทธกุลนางอูดรรัศมิงพระธรรมเมตงังปูดรรัศมิงพระสังฆานางัางทุกข์รัวพ้าไปยัง วันชัยเยสสพทุสพโโกสพะโสพระโรคสพะภัยสพพะเคราะห์สันเอียดจันไรวิวันชัยเยสภท่านังสภลาพังพระวันดุเมประขันตุสุรักคัน รักสมิงพระธรรมเมตังเอียสารรักมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะครห์สเนียดจันไร วันชัยเยพภะทานพภะลาพังพะวันตุเมประคันตุสุรัขัน รัศมิงพระธรรมเมตังปัทวีรัศมิงพระสังฆานังภูขาโรพระพยังวิวันชัยเยสสะพทุสะพะโสสะพะโรคสะพะภัยสะพะครอ้อสันเดียดจันไรวิวันชัยเยสะสพะพัท่านังสะพักลาพังพระวัน พระสวิงพระสังฆานังทุคารุกััพยังวิวันชัยเยสั พ, สพาทุกสัพพสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพประคร้อสเลียดจันไรวิวันชัยเยสัพาทังสัพพลาพังพวันตูเมพระขันตู s o